ท่านผังที่ครบรคะ่ะรายการนี้รายการสันนิสนทนาเป็นรายการที่มีทั้งการปฏิบัติแล้วก็มีทั้งการสั่งสมสุตตะแล้วสั่งสมสุตตะก็มีทั้งที่ให้ฟังพระสูตรเต็มๆกับที่ให้ท่านถามคำถามมาตามอัธยาศัยแล้วในรายการโดยพระอาจารย์ไพบณลก็จะได้นำเอาพู้ทวจนะของพระพุทธองค์นั้นมาเป็นข้อมูลในการตอบเพื่อให ท่านได้รู้ธรรมอย่างถูกต้องตรงที่สุดนะคะทีนี้มาถึงคำถามของวันนี้เนี่ยค่ะคำถามแรกเป็นการทวงรับของที่มีแจกในรายการคือแผ่นซีดีธรรมะนะคะคงจะเป็นการพูดในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวดิวฉันดำเนินการให้สำหรับคุณสมบัติตาปัญญาค่ะส่วนการที่จะแจกหนังสือต่อไปเรียองขอเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะประกาศให้ทราบ หมค่ะทีนี้มาถึงคำถามกับท่านไปบูนค่ะดิฉันนายเจริญพานนมสัส ก, การกับตั้นค่ะก็นมสัส ก, การพร้อมๆกันนะคะท่านไปบูนนั้นอยู่ที่วัดป่าดอนหายโสอุดรธานีคำถามของคุณยานิสานะคะพูดถึงเรื่องของพระเครื่องพระพุทธรูปบอกว่าการกราบไหว้พระพุทธรูปหรือการห้อยพระเนี่ย มีจุดมุ่งหมายเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าใช่หรือเปล่าคะแล้วคนที่บูชาพระหรือห้อยพระเพราะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตนเองให้ปลอดภัยหรือร่ำรวยเนี่ยเป็นจริงหรือไม่มแล้วการที่จะห้อยพระด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้งมงายหรือเปล่าถ้า ง, งมงายแล้วการที่วัดบางแห่งมีพระให้เช่ามิเท่ากับสนับสนุนให้คนงม ง, งายหรอคะอเอาทีละคาถาม คุณยานิสาถามว่าการให้พระมีจุดมุ่งหมายเพื่อระลึกถึงคุณของพระบุตรพระธรรมพระสงฆ์ใช่หรือไม่ก็ต้องถามคนห้อยว่าเขาเระลึกถึงอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าระลึกถึงก็ดีการที่สมมติเห็นแก้วน้ำโอ้ยระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีเห็นออคอมพิวเตอร์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้ดีเห็นพระเครื่องระลึกถึงพระเจ้าดีไหมดีดีนะคะทีนี้ถ้ามากกว่านั้นนิดนึงหรอคะคือไม่ได้นึกถึงอย่างเดียว แต่นึกถึงว่าคุณพระช่วยด้วยเอาไว้ช่วยค่ะทีนี้เราก็ต้องมาลงลึกต่อไปถามว่า เ, เหตุปัจจัยอะไรทำให้คนร่ำรวยขึ้นมาได้ค้าขายขึ้นมาได้มีเ็าเรียกว่าแคล้วคลาดขึ้นมาได้ตรงนี้ก็คือเรื่องของกรรมคุณมีไหมศรัทธาจาคะศีลแล้วก็ปัญญามีสอย่างนี้เป็นไปเพื่อความ ปกซับน ะ, ะคุณต้องการแคล้วคลาดใช่ไหมคุณมีกรรมไหมสร้างกรรมดีไปไหมถ้าตรงนี้จะเป็นไปเพื่อความคล้วคลาด <Okay. S 1> ทีนี้ถามว่าตรงเนี้คือเป็นผู้ที่เชื่อเรื่องของกรรมดังนั้นถามว่าถ้าคุณห้อยพระเนี่ยมีคนบอกว่าคุณเอาเอาพระนี่ไปนะแล้วคุณจะรวยขึ้นมาได้นั้นะแล้วถ้าเขาไม่สร้างเหตุปัจจัยนะไม่ทําการค้าขายอย่างดีไม่ดูแลลูกค้าอย่างดีไม่เป็นคนมีศีลไม่มีจาระไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาย แล้วเชื่อแต่ว่าอันนี้จะทําให้เขาได้อันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เชื่อมองกลตื่นข่าวค่ะแต่ถ้าเขาได้รับพระเครื่องมาชุดหนึ่งน ะ, ะทําให้จิตของเขาเนี่ยระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องตือนสติว่าโอฉันต้องทําความเปลี่ยนฉันต้องเป็นคนตั้งมั่นอยู่ในศีลอันนี้ชวนไปกินเหล้าฉันไม่ไปนะฉันมีจาคะฉันมีศรัทธาฉันมีปัญญาแล้วเขารวยขึ้นมาได้อันเนี้ถึงจะถูกทองเพราะฉั้นถามว่าพระวัดอื่นๆเนี่ยวัดอื่นๆเขาเขามีพระเครื่องนะมีการ แจกจ่ายพระเครื่องก็ถามต้องถามท่านว่าท่านแจกจ่ายเพราะอะไรแต <c oughs> นะถ้าต้องการให้ลูกศิษย์ระลึกถึงพระบุตรประธรรประสงค์แล้วเขาไปทําความดีอันนี้ก็ทําได้มัน <c oughs> อยู่ที่คนเอาไปเนี่ยเขารู้เรื่องที่เป็นละเอียดรับครอบหรือเปล่าคนนะถ้าเชื่อมงคลตื่นข่าวนะเป็นพวกนองริยยบรุตรเจ้าพูดอย่างนี้ <c oughs> พวกจันทานพวกนองรีตแต่ถ้าเชื่อเรื่องของกรรมนะเป็นอุบาศกแก้วอุบาสิกาแก้วค่ะเพราะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่า ท่านทั้งหลายที่บูชาพระห้อยพระนั้นจะเป็นเช่นไรใช่อันนี้นะะเป็นเรื่องในจิตเลยท่านคะทีนี้มีคำถามต่อที่ว่าถ้าท่านตอบสมมุติเกิดในมุมที่บอกว่าเป็นพวกมงคลตื่นข่าวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วัดที่มีพระให้เช่านั้นไม่เท่ากับสนับสนุนให้คนมงมงายหรือคะก็เขาอาจจะสนับสนุนให้คนระลึกถึงพระพุทธประธรรประสง์ก็ได้ค่ ะ, อ, ะอยู่ที่คนเอาไปอ่ะคุณเอามาคุณใช้ดีไหม ใช้ดีไหม ห, หมายถึงอะไรหมายถึงคุณระลึกถึงพระพุทธเจ้าไหมคุ ณ, คณไม่เอามาคุณด่าเขาเหรอคุณก็ไม่อยู่ตามอันงั้นคุณอย่าด่าเขานะคะอือย่าไปพูด<ก>ไม่ดีกับคนอื่นขอให้มีพระก็มีให้ถูกแล้วถ้าสมมุติว่าเกิดอัตคัดขาดส่วนมากอืมชีวิตนี้หาไม่ได้เลยแมย้แต่กระทั่งเหรียญพระเล็กๆไม่ต้องเป็นวัตถุมีค่าด้วยทำไงดีคะท่านอาจารย์ก็เอาแก้วน้ําเนี่ยไป <c oughs> เอาแก้น้ําไปแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรมประสงค์นะคะคือให้สถิตอยู่ที่ใจของเราใช่ตรงนี้นะการที่เราจะระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าใช้คําว่านิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งค่ <c oughs> นะนะพุทธเจ้าใช้คํานี้นิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้น <c oughs> ตรงนี้เนะี่ยจะเป็นนิมิตที่อยู่ภายนอกก็ได้นิมิตที่อยู่ภายในก็แล้วแต่เถอะนะให้เรามีความเลื่อมใส ตั้งมั่นอยู่ได้ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเป็นสรณะได้อันนี้ดีทั้งนั้นไม่ว่าอุปกรณ์นั้นสิ่งนั้นจะเป็นอะไรอาตมาก็อันนี้เราก็คือวางเป็นกลางๆถ้าคนเอาไปเขาเชื่อเรื่องของกรรมระ ล, ลึกถึงรัตนะตรายเนี่ยเป็นสิ่งดีค่ะแต่พูดถึงที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปที่ฉันเลยนึกถึงเรื่องที่เพิ่งได้สนทนากับท่านเวสตตา์ที่แล้วค่ะที่บอกว่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งลูก ไปบวชจึงมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมแม็สนะอนาปานสติแล้วก็หลังจากปฏิบัติแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้นหลายอย่างเช่นละความผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทได้แล้วก็ไปมีอุบัติเหตุซึ่งในนาทีนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอัตโนมัติขึ้นมาเลยนะคะที่ระลึกได้ถึงลมหายใจแล้วทำให้ ผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นมาได้ ใ, <ช>ในขณะที่คนนั่งไปด้วยในสติแตกอย่างนั้นนะคะออืออก็เท่ากับว่าอย่างนี้มีพระในใจอย่างที่ว่าหรือเปล่าถูกต้องถูกต้องมีสติรักษาจิตมีเรียกว่านิมิตของจิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีค่ะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ถึงแม้อยู่ไกลจากเราร้อยโยอดเนี่ยก็ชื่อว่าอยู่ใกล้เราค่ะทาา่านจากท่ะในราการนี้เรามักจะพูดกันอยู่เสมอว่าภัยที่น่ากลัวคือ ภายการแก่เจ็บตายใช่โดยเฉพาะเรื่องตายที่ท่านบอกว่าอย่างปฏิบัติดีเลรนเนี่ยต้องอย่าร อ, รรอไม่ควรรอไม่ควรรอทีนี้มันเหมือนเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยจะช่วยทำให้คนกลัวความตายน้อยลงหรือเปล่าดิฉนันอาจจะจินตนาการไกลไปนิดนึงเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้จะนามาพูดอย่างไรจึงจะทาให้ไปกันได้กับรายการเป็น ข่าวที่เขาบอกว่าญี่ปุ่นกําลังจะทําโคลนนิ่งช้างแมมมอสท่านเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินอยู่ช้างแมมมอฟส้ปีแล้วนะปีหกมันตายไปเป็นหมื่นปีแล้วนะคะใช่ใช่เขาเป็นบขนเกิดเขากําลังจะลงมือทําโคลนนิ่งโดยเขาบอกว่าคณะนี้เนี่ยประสบความสําเร็จในการทําโคลนนิ่งหนูที่มันตายไปแล้วตั้งสิบหกปีให้รอดขึ้นมาได้อืการเกิดขึ้นมาใหม่ในลักษณะนี้นี่ มันสามารถจะมองในทางทำอย่างไรได้มั้ยว่าเอ๊ะมนุษย์ต่อไปมันโคลนนิ่งกันได้ต่อไปคนไม่ต้องกลัวแล้วตายภัยนี้ไม่ต้องกลัวเงินถึงเทคโนโลยีถึงได้อ๋อโคลนนิ่งขึ้นมาก็ไม่ใช่บุคคลนั้นเดิมบุคคลอยู่ดีแค่จุประสงค์ที่เขาโคลนคือแค่เอาอวิววะหรือว่าอะไรต่างๆมาใช้ถูกไหมแต่ว่าไอเดียความคิดต่างๆจะไม่เหมือนกันจะเป็นคนละคนไปว่าอย่างนั้นเถอะคือจะไม่ใช่คนเดียวกันนั่นนะ เท่ากับว่าจริงๆแล้วก็คือหนีไม่ได้ยเพราะอะไรทําไมอาตมาถึงพูดอย่างนั้นเพราะที่การโคลนนี่ยังไม่เคยสําเร็จเลยทําไมเราถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าวิญญาณที่จะมาก้าวลงนั้นในในนามรูปอันนั้นเนี่ยจะต้องมีคนละวิญญาณกับที่คุณมีอยู่ตอนนี้แต่เพราะเหตุปัจจัยมันมาไม่เหมือนกันอ่ะออมันมันไม่แน่มันควบคูไม่ได้หรอกการโคลนนี่ก็ไม่ใช่ว่าสําเร็จนะก็คือมีแค่อ แกะตัแกะแล้วก็สัตว์บางชนิดที่เขาโครนสําเร็จแต่ดูพฤติกรรมแล้วมันก็เป็นคนละตัวกันตัวแม่ก็ยังอยู่ตัวโครนมันก็ยังอยู่เอาแล้วอะไรที่มันออกมามันก็เป็นจิตอีกอันหนึ่งที่มาก้าวลงไปเท่านั้นเองค่ะก็เป็นคนลจิตการเป็นคนละวิญญาณกันอืมก็เท่ากับว่าอย่างไรเสียการแก่เจ็บตายนี้ก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่เรื่อยไปใช่<ป> ก็ต้องมีการตายคืออะไรคุณสรนสนีการทอดทิ้งร่างการแตกแห่งขันทั้งหลายการจะอ่าการสลายไปแห่งขันนี้นี่คือการความตายค่ะการทอดทิ้งร่างใช่การอะไรอีกนะคะการเสื่อมไปเสื่อมไปของอายุอาการแตกของขันทั้งหลายการเคลื่อนการจุติอย่างนี้เป็นความตายทั้งหมดค่ะถ้าอาจารย์คะแล้วสําหรับ คําถามเรื่องนี้ก็คิดว่ามันเป็นก็อยู่ที่คนรับไปอยู่ที่คนรับแล้วก็เรื่องเรื่องธรรมะของพระพุทธองค์น่าสนใจมากกว่าในแง่ที่ว่าไม่จํากัดการอเป็นเรื่องของจิตเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสิ่งภายนอกแล้วนําพาให้จิตของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อกุศลมันก็เป็นไปไดนะ้แต่พวกเรื่องมงคลตื่นข่าวนะพวกเรื่องอสิ่งที่เรื่องนอกแนวเนี่ย พระพุทธองค์ก็ไม่ให้มีอยู่แล้วนะค่ะท่านั่นเองท่านอาจารย์คะพระพุทธองค์เคยตรัสเรื่องของอสสารพิษไว้บ้างไหมคะโอ้โหมากมายอสสารพิษที่พระพุทธองค์ตรัสถึงเนี่ยเป็นอสสารพิษประเภทไหนแล้วก็ตรัสเพราะเหตุใดคะอสสารพิษอย่างเช่นอสสารพิษเนี่ยที่เปิ้นอุจจระนะมีตัวอย่างหนึ่งครูญาติบอกอสสารพิษที่เปิ้นอุจจระเนี่ยถึงแม้ว่า จะถูกรีดพิษออกไปหมดแล้วเนี่ยถ้าเราไปจับมันเนี่ยมันก็ยังเปื้อนขี้ตัวมือเราก็จะเลอะอุจาร ะ, ะต้องรีบล้างรีบเช็ดเหมือนกับคนพานเนี่ยคนไม่ดีเนี่ยเราไปอยู่ใกล้เขานะแต่เราไม่ได้สูงสิงกับเขานะแค่ไปอยู่ใกล้นะเขาก็คิดว่าเราเป็นคนไม่ดีอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยุ่งกับคนพานเป็นปลาคล้องเดียวกันอะไรอย่างี้ก็เหม็นไปหมดแต่ถึงแม้เราจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเขานะอันนี้ เ, เป็นหนึ่งยะ ที่ตรัสไว้เพื่อที่จะให้เ ร, เรารู้รว่าควรจะเลือกคบคนอย่างนั้นหรือเ่ะใช่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเปรียบเทียบกับอสจรพิษ4ตัวที่มีฤทธิ์เดชมีพิษอย่างแรงกล้านะมีความดุร้ายมากเราต้องปลุกให้ลุกให้นอนให้อาหารตามเวลานะถ้าไม่ทําอย่างนั้นแล้วจะกัดเราจะฉกเรานะก็คือเปรียบเสมือนธาตุทั้ง4ดินน้ําไฟลม กายเราอะคุณติ๋วถ้าไม่ให้เขานอนไม่ให้เขากินไม่ให้เขาพักผ่อนไม่หาอะไรมาทาไม่หาใบชาล้างเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นโทษค่ะอืนี่คือกายทั้งกายคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมะทุกคนเลยบอกว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นกายเราเป็นอสรพิษเลยเรารู้แต่ว่ามันเป็นมหามิตรก็ลองไม่ให้เขากินตามเวลาไม่ให้เขาพักตามเวลาไม่อาบน้ําไม่ทำอะไรให้เขามันจะเป็นพิษจะเป็นโทษนะคะไม่ต้องอะไรมากอะค่ะ ท่านที่ฟังรายการนี้อยู่บางคนอาจจะแบบเพิ่งนอนไปได้สองชั่วโมงเองเดี๋ยวก็จะเห็นผลนะคะว่ากายจะเปลี่ยนจากมิดเป็นเอัลสารพิษสําหรับภิกษุนะพระพุทธเจ้ายังพูดถึงเงินทรัพย์เงินเนี่ยหมายถึงห้าร้อยพันหนึ่งอย่างนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่เงินที่เป็นซีเวอร์แต่เป็นเงินที่เป็นมันนี่ค่ะเป็นอสารพิษเงินเป็นอสารพิษเป็นอันตรายใช่มันจะฉกกัดเราได้ตลอดเวลาค่ะ อ๋อเท่ากับว่าอสรพิษอันนี้ต้องเป็นเหมือนกับสัตว์ร้ายที่ฉกัดเราได้ตลอดเวลาในทุกความหมายถูกไหมคะเป็นพิษเป็นโทษค่ะและพูดจริงๆแล้วสําหรับพระเนี่ยมีพูดถึงผู้หญิงไหมคะอาตมาพยายามจะเลี่ยงพูดเรื่องนี้อยู่ขอไม่แต่ดิฉันนี่นึกอย่างอื่นไม่ออกเลยใช่ผู้รู้จักพูดถึงมาตุคามนะเป็นอสรพิษอืมค่ะแล้วทําไมท่านจะเลี่ยงล่ะคะ ก็พูดสิ่งที่ดีๆไงมาพูดสิ่งที่ดีๆแต่จริงๆแล้วก็เป็นความรู้นะคะถ้าเป็นความจริงเนี่ยใช่ใชใช่ใช่ไหมคะเท่ากับว่าพระพุทธองค์น่าจะบัญญัติอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงไว้พอสมควรใชไหมคะใช่ก็ไว้หลายอย่างมากเช่นที่ควรรู้สักเรื่องหนึ่งได้ไหมคะอย่างมารดานะเป็นบุคคลที่ควรยกย่องอย่างนี้เป็นต้นผู้หญิงที่พระพุทธเจ้ายกย่องก็มีนางวิสาขาเป็นยอดแห่งอุบาสิกา อะไรต่างๆก็มีนั่นะคือพระพุทธเจ้าเวลาจะยกย่องผู้หญิงเนี่ยจะยกย่องคุณธรรมที่เขามี <คะ S 1> นะาเป็นอุบาสกก็ตามเถอนะจะยกย่องคุณธรรมที่บุคคลนั้นมีนะบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ดีในเรื่องการให้ทานอนยกย่องเขาบุคคลนี้ดีในเรื่องของการรู้การล ะ, <ค>ะยกย่องเขาอย่างนี <คะ S 1> ้ก็จะยกย่องบุคคลพวกนี้ทีนี้เรื่องก็มีหลายเรื่องที่เตือนพระอานนท์ไว้นะในการเกี่ยวข้องกับด้วยมาตุคามผู้หญิงก็คือ ให้มีสติครนะ่าวๆอย่างนี้แล้วกออ็ยังพูดถึงมาตุคามคือผู้หญิงว่าผู้หญิงเนี่ยมีความโกรธเป็นกําลังขนาดนี้คือเปรียบเหมือนกับคนพาณิมีการเพ่งโทษเป็นกําลังนะคนบัณฑิตเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองเป็นกําลังพระราชามีอิสริยยศเป็นกําลังนะเด็กน้อยเนี่ยทารกเนี่ยมีการร้องไห้เป็นกําลังสํานัปรามเนี่ยมีความอดทนเป็นกําลัง ก็ลักษณะนี้ด้วยกลับมาที่เรื่องของงูนะสารพิษค่ะนี่หมาเรื่องของอสารพิษงูเนี่ยพระเจ้าจะเปรียบเทียบในกรณีที่เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ต้องให้ระวังเพราะมันจะแหวงกัดเราได้ตลอดถ้าจับเนี่ยต้องจับให้ดีจับที่หัวอย่า จ, จับที่ตัวค่ะจับที่หัวเนี่ยเปรียบเทียบกับกามนะอย่างกามเนี่ย ที่พูดถึงในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีโทษมากเปรียบเหมือนอสารพิษเหมือนกันไม่มีที่ไหนที่เราจะจับงูแล้วไม่ถูกฉกเลยนอกจากที่หัวอืคุณยอมติวฟังให้ดีงูเนี่ยเราจับหางมันก็ฉกเราจับตูมมันก็ฉกเราจับทุกที่มันฉกเราหมดค่ะยกเว้นที่หัวจับหัวจับไม่ถูกตําแหน่งมันยังฉกเราเลยค่ะเพราะฉะนั้นกามเนี่ยมันจึงมีโทษมากจับลําบาก น, น, น้อยอมันต้องฝึกมาอย่างดีอืนะคะกามคืออสรพิษการคืออสสรพิด้วย ดังนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยได้ทราบถึงอสารพิษที่พระพุทธโธตรัสไว้ในหลายแง่หลายมุ ม, มนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปไว้เตือนสติได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะเลือกจดจําในสิ่งที่มันโดนใจอะ่ะถ้าใช้คชําพูดภาษาง่ายๆใช่ไหมคะก็จะได้รู้ว่าทีนี้ละ่ะเราเห็นอะไรและทําให้เรานึกถึงอสารพิษจะได้เกิดประโยชน์กับการที่จะนำเอาไปใช้นะคะวันนี้ เวลาพอดีอีกแล้วล่ะคะ<ช>่ะก็นมัส ก, การขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนเวนโอกาสนี้สำหรับช่วงเวลาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะวันนี้ค่ะใช่ท่เริพอพรท่านฟังค้าแล้วก็รายการเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไหมคะตีห้าถึงตีห้าครึ่งเดี๋ยวนี้ ก็ได้ทราบว่ามีคนตื่นเช้าเยอะนะคะเพราะว่าจะมีหลายท่านที่มกักจะบอกว่าฟังรายการอยู่ฟังรายการอยู่ก็เป็นกําลังใจแล้วก็อยากจะบอกกับทางสถานีนะคะเอฟเอและสถานี 6, time, วิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติให้ยินดีด้วยในสิ่งที่ท่านได้พยายามที่จะเผยแผ่พุทธวจนะนั้นก็มีผู้ที่รับรู้รับเห็นแล้วก็ติดตามอยู่ไม่น้อยทีเดียววันนี้เราขอบคุณกันเพียงเท่า น, นี้เราติดตามรับฟังกันใหม่นะคะพุทธวสสวัสดีคะ่ะ